ผลัในเรื่องของปัญหาพระยามิรินนั้นในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการสนทนาธรรมสนทนาทางธรรมกันในวันพระที่แล้วพระเจ้ามิร่มกับพระนากังเสนก็สนทนากันในเรื่องของนามรูปซึ่งเป็นครั้งที่สองก็ได้จบลงไปแล้วในวันนี้พระเจ้ามิริณกับ พระหน้เสด็จก็จะสนทางงานากันในเรื่องของสังสารวัตรในเรื่องของสังสารวัตรซึ่งก็ในเรื่องสังสารวัตนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องของวงจรชีวิตของเราวงจรชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ว, ว่าความเป็นจรงแท้ของวงจรชีวิต ของเราหรือของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรซึ่งเราควรจะรู้แล้วเราก็จะได้รื่องหทางการดำเนินวิถีชีวิตของเราให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นแห่งของวงจรชีวิตซึ่งเป็นความจริงแท้ทีท่พระสมมาภูติเจ้า จะเข้าไปตั้งรู้ในธรรมชาตินี้ในเรื่องของสังสารวัตรนั้นปัญหาแรกใช่พระเจ้านีลินได้จัดถามกับพระเจ้านาะเตนว่าในเรื่องของสังสารวัตรนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ในเรื่องของสังสารวัตนั้นมีความหมายว่าอย่างไรพระเจ้าพระนาคเสด็จก็ได้โทรถ่อก็เจ้ามิงไปว่าในเรื่องของสังสารวัตดนั้นก่อนอื่นความหมายของคำว่าสังสารวัตสังสารวัตรสังสาระคำว่าสังสารวัตรมาจากคำว่าสังสาระ เปือกหน่วยรัยตต์มาเป็นคําสังสารวัตสังสาระแปลว่าท่องเที่ยวไปบางครั้งก็เรกว่าสงสารบางครั้งก็เรีกว่าสังสาระแปลว่าท่องเที่ยวไปวัตต์แปลว่าวนวัก ต, ต์แปลว่าวนเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังสารวัตนั้นก็มีความหมายว่าท่องเที่ยว วนเวีนไปเกิดไปตายท่องเที่ยวไปวนเวียนไปเกิดไปตายบางครั้งก็ใช้คําว่าวัดตักสงสารที่ความหมายอันเดียวกันเพราะนี่ใช้อยู่สองคำคือสังสารวัฏกับวัดักสงสารพระเจ้ามุ่งก็พระเจ้าพระหน้ากระเช้านก็ได้อธิบายขยายความให้ พระเจ้ามิรินได้เข้าใจว่าในเรื่องของสังสารวัฏหรือวัฏสงสารนั้นหมายความว่าชีวิตของคนเราหรือชีวิตของตับโรคนั้นประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันหน่งกายสองใจหรือประกอบด้วยกับรูป ก, กับนามหรือนามรูกปก็แล้วแต่ถ้าแตกเรียกกายกับใจหรือนามรูปหรือรูปนาม กายเท่เานั้นที่เกิดแก่แล้วตายรูปเท่านั้นที่เกิดแก่แล้วตายส่วใจหรือนามที่เดยมเป็นนามมธรรมนั้นไม่ตายเป็นอ ม, มาตะธรรมเป็นธรรมชาติที่มันไม่ตายใจนั้นเมื่อร่างเก่านี้ตายก็ไปเกิดในร่างใหม่เมื่อรูปลี้ตายก็ไปเกิดในรูปใหม่ วนเวีย น, นอย่างนี้และรูปใหม่นั้นหรร่างใหม่นั้นเป็นร่างของสัตว์โรคเจ็ดชนิดเรียกันเป็นร่างของสัตว์โรคเจ็ดชนิดเดียกันหนึ่ง <1 S 1> สัตว์รกร้างของสัตว์รกสองร่างของเปรตสามร่างของอสูรกายสี่ร่างของสัตว์เบ ร, ร, ร, <4 S 1> ร, รชนห้า ร่างของมนุษย์6ร่างของเทวดาแ8เจ็ดร่างของลมทั้งหมดนี้เรียกว่าสัตว์โลกซึ่งสัตว์โลกทั้งสามทั้งเจ็ดชนิดนี้วนเวียนอยู่มีที่อาศัยอยู่ในสามโลกด้วยกันเรียกว่าสามแดนโลกภาพโลกที่รเรียกว่า 3, กามโลกประกอบด้วยสัตว์โลก หกชนิดเดียกันหนสัตว์โกสองเปรต ส, สามมรรกาตสีสัเดชานห้ามนุษย <6 S 1> ์หกเทวดาสัตว์โลกทั้งหกชนดนี้อาศัยอยู่ในกามเวลาแปลว่าโลกที่เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังยืเกี่ยวอย้่กา ม, มคุณยังยื้เกี่ยวอยู่วยกามคุณสัตว์โลกหกชนินี้จึงอยู่ใน โลกเกศเรียกว่ากาโมโลกตักโลกที่สองคือพระพรหมพระพมนั้นแบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งรูปพรหมสองอารูปพรหมรูปพรหมคือส่วนที่มีรูปมีขันห้าเหมือนกับมนุษย์เรานี้ส่วนอารูปพรหมนั้นมีแค่ขันสี่มีแต่นามไม่มีรูปเรียกว่าอารูปพรหมรูปพรหมนั้นอยู่ในโลกที่สองเรียกว่า โลกกระโลกเป็นที acted, ่อยู่ของสัตว์โลกที่มีเกี่ยวข้องอยู่ได้การรูปกระลมส่วนอาโลกประลมนั้นอยู่ในโลกที่สามเรียกว่าอาโลกกะโลกที่สามแดนโลกกรธาตุนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งเจ็ดชนินี้สัตว์โลกทั้งหลายก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในร่างของสัตว์โลกเจ็ดชนิดนี้ ไม่สบสิ่งไม่สบสิ้เป็นเวลาชาตาแล้วเดี๋ยวก็มาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นพระเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์กเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นอสูรกายเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์ราก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเปรตเสมือนท่นน่าสสยเปรตเสมือนต้งมามุ่งที่จะโตขนออกผลออกมา มนุษย์เราเก็บมากินแล้วก็เอามาเล็ดมันไปเทาะใหม่เปิเทาะใหม่ก็เกิดเป็นลาต้นใหม่ลำต้นใหม่ออกรูปมาใหม่ออกรูปใหม่มนุษย์ก็ไปเก็บมากินแล้วก็เอามาล็ดมันเทาะไปใหม่ก็วงเวียนอยู่เดี๋ยนั้นภาระทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดมาเป็นนามรูปแล้วก็สร้างมูงสร้างบาสร้างมูงสร้างบาปไอ้มงบานี่แหละเป็นเสมือนมเล็ดมือ่ือ ที่เอามาเพาะใหม่ก็ไปเกิดใหม่นั้นการที่สัตว์โลกคนหลายต้องเรียนตายเยนเกิดในนามรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในามรูปของสัตว์โรคเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงางมนุษย์เทวดาครก็ไปด้วยอํานาจของมูลบาตรมูลบาตรนั่นแหละเปรตผลเม็ดมะมูวที่มันเพาะแล้วก็ไปเกิดขึ้นใหม่เป็นมาอย่างช้านานเป็นมาอย่างนี้ช้านานนับการนับเวลาไม่ถวนนับพบนับชาติไม่ถวน แล้วก็จะต้องเดินตายเดินเกิดต well, we well really ่อไปในอนาคตอีกนับภพนับชาติด้วยถูกไหมพระน่าเกษก็ได้อธิบายในเรื่องของสังสารวัตให้กับพระเจ้าวิริยได้เข้าใจแบบนี้พระเจ้าวิริยก็ถามต่อไปว่าอะไรที่เป็นเหตุให้สัตว์โลกทั้งหลายหรืออะไรที่เป็นเหตุให้จิตดวงนี้ของสัตโลกทั้งหลายต้องเดินตายเดินเกิด ในสังสารวัตรนี้มาช้านานพระนาคเสด็จก็ตอบว่าสิ่งที่ทำให้จิตงนี้ส้งแลีนตายเลียนเกิดเป็นนามรูปอยู่อย่างนี้ในสังสารวัตรนี้ในจักรโลกทั้งเจ็จนิดนี้ในสามแดนโลกระท่านี้มาชานก็ด้วยเหตุทา่ไม่รู้อิยสัจสี่ด้วยเหตุที่ไรู้อริยสัจสี่ หน o ่ง l ม่รู้ทุกสองไม่รู้เหที่เกิดสม่ดับและี่่าการปฏิบัติการดับแต่เพราะมนูัโรคทั้งหลายไม่รู้อริยิจึงต้องเรียนตายเรียนเกิดมเป็นรูแล้วก็สั่งบุญสงา มาสร้างบุญสร้างบาปเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นนามรูปใหม่ต่อไปให้จบสิ่งก็เพราะด้วยเหตุอริยสัจสีให้รู้อริยสัจสี่นี่เองนี่แหละที่ท้าวสมมาผูเจ้าของเราเข้าไปตรัรู้ในวันเพ็ญเดือนหกนั่นก็คือการตรัรู้อริยสัจสี่นี่เองก็คือการตรัรู้อริยสัจสี่นี่เองเมื่อรู้อริยสัจสี่แล้ว ก็หันมาปฏิบัติระยะสั้นเงที่ทำให้รัฐจับมิขาดได้นี่คือข้อที่หที่พระเจ้ามิรินได้ถามหนากตในข้อที่หน่ี้ยังถามหน้าเกนตต่อไปอีกว่าก็แล้วงานรูปเก่ากับนานรูปใหม่ที่ไปโขกนั่นน่ะเป็นางานเดียวกันหรือเปล่าเป็นางานรูปอันเดียวกันหรือเปล่า พระน่าก wow, ับเสก็ตอบว่าไม่ใช่ไม้ใช่นามลูกเดียวกันนามลูกเก่านี้ตายนามรูปที่เกิดใหม่นั้นไม่ใช่นามลูปอันเดียวกันเพราะเจ้าพิก็บอกว่าอ้าวที่อย่างนั้นเมื่อนามรูปที่จะเกิดใหม่ไม่ใช่นามรูปันเดียวกันเพราะฉะนั้นบาปบุญที่นามรูปเก่าได้กระทําในชาตินี้ก็ไม่ต้องส่งผลไปให้สิก็ตายก็โศกสิ แลาก็รู้ว่าบุกัเป็นความสุขบาปทั้งเป็นความทุกข์เาะั้นเมื่อนูกใหม่กับนำลูกเก่าไม่ใช่อันเดียวกันเป็นนำลูกเก่าที่ทาบุญทาบาปไว้ก็ตายแล้วก็สูญไปถ้าท่านสงคนก็จะให้นำลูกใหม่อีกถ้านายเกษมก็ถามพระเจ้าวิริยว่าอุจมาไว้ว่าบุคคลหนึ่งต่อไฟพิงใหน้าหนาว แล <aria> okay ้วก็เลื Been, ่ดับแล้วก็หลับไปไอ้ไฟนั้นมันก็ลาไปไหมข้าวของขชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านทีอยู่ใกล้เคียงนั้นได้ฟังสารว่ากหตุผลตันี้เป็นตัวเหตุทำให้ไฟไม้ข้าวของก็เสียหาย แล้วบุคคลผ้ีจะไปแก้ตัวกับศาลได้ไหมว่าไอ้ายที่ไปยุ่เข้าของชาวบ้านเขานั้นนะไม่ใช่ตายของตนตาย้องตนที่ก่อขึ้นถูกกไฟทีอย่ในบ้านของตนนี้วนไปที่ไปไล่เข้าของสมลูกเของนั่นแหละไม่ใช่ตายของตนถามว่าบุคคลผู้นีประปฏิเสธต่อศาลอย่างนี้ศาลจะรับฟังหมพระจ้า่เห็นก็บอกว่าไรัาได้ยินไร ก็ไปที่ไปหันเข้าของสาวบ้านเขาเนี่ยนะมันตายจากตายกองที่บุคคลผู้นั้นไม่ก่อขึ้นพระน้าเกษร์ก็ตอบว่าฉันใดก็ฉันนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนำลูกใหม่ที่จะไปเกิดไปจากที่ไปจากนามลูกเก่านั้นจะไปปฏิเสธในเรื่องของบุญบาปที่นามลูกเก่าทางว้นั้นก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้หากเปล่ยนสมรรถไปที่บุคคลนั้นกอะแข็งแล้วก็ลามขึ้นไปไล่เข้าของของชาวบ้านเก่าก็มันไป็นความต่อเนื่องกันมันไป็นความเชื่อมโยงกันพระเจ้าวิริย์ก็ได้ถามพรานางก็แสดงต่อไปว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนางรูปใหม่ที่ใส่เกิดกับนางรูปเก่านะั้น ไม่เชื่อมโยงกัได้อย่างไรพระธรรมพุทธเจ้าก็อุปโมมาอีกข้าหน้าเกษร์ก็อุปโมม า, าถามพระเจ้าวิริย์ไปอีกว่าสมมติว่าเราถุกตะเกียงเรียกว่าตามไปใ น, นสมัยโบราณเขาเรียกว่าตามไปถราถุกตะเกียงรู้ตามไปไว้ตลอดคืน ไฟในยามที่สองกับไฟในยามต้นในสมัยโบราณเขาแบ่งเป็นสามยามนะโยมยามต้นยามกลางยามสุดท้ายยามต้นก็ประมาณอกมเย็นถึงสี่ทุ่มยามกลางก็ประมาณสี่ทุ่มถึงสี่สองยามสุดท้ายก็ตั้งแต่สี่สองถึงสี่หกตวันเพราะงานผสมก็ถามพระเจ้ามีรินว่าไอ้ไฟที่ตามไวติดไวตะเกียงไว้นั่นแหะ ในยามกลางกับยามต้นนั้นไ่อะไเดียวกันรปล่าไฟอเดียวกันรึเปล่าพระเจ้าิลิก็ตอบว่าไม่ใช่โอไฟในยามกลางกับไฟใยามต้นนั้นไม่ใ่ไฟเดียวกันไม่ใส่ไฟเดียวกันพระจามิินก็ตอบว่าไม่ใช่เขาหมายความว่าไอ้ไฟใยามต้นในยามกลางนั่ะ จะว่าอันเดียวกันก็ใช่ไม่ใช่จะว่าคนละอันก็ไม่ใช่จะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าคนละอันก็ไม่ใช่แต่มันเชื่อมโยงถึงกันติดต่อกันไปใช่ไหมมันเชื่อมโยงติดต่อกันไปเพราะฉั้นใดคนนีนามรูปที่ปรไปเกิ์ใหม่ในทศชาติหน้ามันก็เชื่อมโยงกับนามรูปเก่าที่ทำไว้ในชาติปัจจุบันนี้ในชาตินี้ พราฉะนั้นในว่านามรูปเก่านี้จะทำบุจะสร้างบุญสร้างบาปอย่างไรไอ้บุญบาปมันนั้นมันก็ตามไปอย่างนามรูปใหม่แต่เะนั้นเราที่ติดตามตัวไปนะในว่าบุญหรือบาปที่นามรูปเก่าที่ทำไวในคดชาตินี้ก็จะตามไปส่งผลตามไปอย่างนามรูปเก่ายังนามรูปใหม่ที่ไปเกิดบุญก็ไปทำให้นามรูปใหม่ มีความทุกบาสนั้นก็จะทําให้นามโลกหม่ยนัเป็นความทุกข์ในเรื่องของสามสารวัตรเป็นอย่างนี้ในเรื่องของสัมสารวัตรปัญญานี้ดังบทสรุปรวมความด้ว่าการที่สัตวโรคทั้งหลายต้งเรียนตายเรียนเกิดหรในสังสารวัตรนี้ไม่จบสิ่งนั้นเป็นเพราะในเรื่องของบุญบาสนั่นเองบุญบาสนั่นเองเกิดเสมืนเมล็ดมะ่วงเมล็ด พืกพันทั้นันทั้งหลายที่มันเพาะแล้วมันก็เกิดเป็นลาต้นขึ้นมาเมื่อลาต้นใหญ่แล้วก็เกิดมีดอกมีผลขึ้นมาแล้วเอามาล็ดมันมาเพาะใหม่มันก็เกิดขึ้นใหม่ได้อีกเช่นเดียวกันและการที่สัตว์โรคทั้งหลายต้องเรียนตาเรียนเกิดสร้างวงสร้างปากปีนี้ให้จบเสิ้งนั้นก็เป็นเพราะไม่รู้อภัยศักดิ์สิทินั่นเองไม่รู้ทุกไม่รู้เห็นให้เกิดทุกข์ ไม่รู res, down, so like, ้การดับทุกข์ไม่รู้เห็นทางการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นี่แหละความไม่รู้อริยสัจสิ่นี่แหละจึงทาให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องเรียนตายเรียนเกิดในสังสารวัฏนี้ยาวนานที่เนื่องนำบุญส่วนยิ่งเนื่องนำบุญรายันั้นจิตดวงนี้ของเราก็เช่นเดียวกันเรียนตายเรียนเกิดในสังสารวัฏนี้มานามานานแล้ว วันนี um i, like ้พระสมมาพุทธเาได้ตรัสรูอริยสัจสีเพื่อออกจากสังสารวัฏแล้วก็นํามาบอกเราว่าถ้าผู้ใดต้องการที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ก็ให้ปฏิบัติตามอริยสัจสีถ้าผู้ใดยังไม่อยากที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ยังอยากที่จะเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ต่อไปก็ไม่ต้องปฏิบัติอริยสัจสี ที่ขอให้ญาติโยมเทั้ไหลาโปรดนำไปคิดไปคิดจเรดจรนาในเรื่องนี้ให้ดีคิดเจรนาในเรื่องนี้ให้ดีในชาตินี้เราบังเอิญมาเกิดเป็นมนุษย์ในทัศภูมิที่ดีและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตหนา้าเราอาจจะย้อนกลับไปเกิดเป็นสัตว์รกย้อนกลับไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงางอีกมันก็คงจะต้องทุก ทุกแล้ว mm ทุกคราวไม่จบสิ <fem CBS> oh, ้นนี่ขอให้ญาติโยมท่านได้โปรดนาไปคิดนำไปคิดารณาให้ดีประเด็นที่สองที่พระสมมาที่พระเจ้ามิริได้กระถามพระนาคเสนในเรื่องของสังสารวัฏนี้พระเจ้ามิริได้ถามพระนาคเสนว่าก็ที่พระเจ้า ได้แสดงว่าได้แสดงว่าเป็นขบวงบาปที่ทําให้สัตว์โรคตัวไหนต้องเรียนตายเบียนเกิดหรือเป็นผู้บวงบาปที้ทําให้สัตว์โรคตั้ไหนได้รับความตกได้รับความทุกข์ไปจากบุญบาปนี้ข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าในปัจจุบันนี้ในขณะนี้มนุษย์เราได้สร้างบุญสร้างบา ได้กําลังสร้างบุญสร้างบาปอยู่หรือล่าได้กําลังสร้างบุญสร้างบาปที่จะทําให้ต้องไปเมื่อตายยังเกิดในสังสารวัฏต่อไปหรือได้สร้างบุญสร้างบาปที่จะทําให้เกิดเป็นความสุขเกิดเป็นความทุกข์นี่แหละว่าในขณะนี้มโนเรากําลังสร้างบุญสร้างบาปอยู่หรอเล่าพระน่าเสกเชยก็ตอบว่าในขณะนี้มโนเราจริงๆนั้ กำลังสร้างบงจสร้างบาปโดยที่ไม่รู้สึกตัวกำลังสร้างบุญสร้างบาปอยู่ทุกขณะโดยที่ไม่รู้สึกตัวสร้างบุร้างบาปที่จะไปเยี่ยมตาเยี่ยมตัวในสังสารวัฏต่อไปหรือสร้างบุญสร้างบาปที่จะให้ได้รับความสุขความทุกข์ต่อไปนั่นเองกำลังสร้างอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวประเา้ามิลินก็ถามว่าสร้างอย่างไร ขณะนี้นามรูปของเราในปัจจุบันนี้สร้างบุญสร้างบาปอย่างไรพระนาราเณ์ก็ตอบว่าในขณะนี้เมื่อตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริมได้รสกายใจสัมผัดถูกต้างแล้วถ้าหาดเราขาดสติปัญญากำหนดรู้ก็จะโกไปยินดูเกิดใจยินร้าย I'm not going to go back home. I'm not going to go back home. I'm not going to go back home. 하다 Carlisle 의주지 wast legislation 하 модульiblampa 잦아하다알하나12트� strony して utan teenage หนาันห้ามันไดกมันไอมาันาที่เาสับนคันหาองา